2. ภูตุคามวัค 6. อนุปะขัดชาสิกขาบทว่าด้วยการเข้าไปแทรกแซงเรื่องพระชพาพคี 119. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินที่กะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุชพาพักีกีดกันที่นอนดีๆเอาไว้ให้ย้ายภิกษุผู้เป็นเทระออกไปทีนั้น พวกภิกษุชัพพะคีได้มีความคิดว่าพวกเราจะจำพรรษาในที่นี้ด้วยอุบายอย่างไรหนอะลำดับนั้นพวกภิกษุชัพพะคีจึงเข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เป็นเถระด้วยตั้งใจว่าเมื่อท่านมีความคับใจก็จะจากไปเองบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงพากันตำหนิประนามโพนทนาว่าฉนภิกษุชาคคีจึงเข้าไปนอนแทรกแซงภิกษุผู้เป็นเถระเล่า